Mm hmm. อาจารย์คนหนึ่งนะเลาให้ฟังว่าได้พาลูกชายไปเยี่ยมบ้านพระคนชราอาจารย์นี่ไปบ่อยนะอยากให้ลูกได้รู้จักโลกให้กว้างขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสจะได้ไปบำเพ็ญจิตอาสาช่วยคนชรา คนชราในบ้านพักเนี่ยก็มีหลายประเภทนะมีทั้งคนที่เจ็บป่วยบางคนก็พิการนอามาพลึกอาม า, าพาดบางคนก็เป็นอัลไซเมอร์นะหลงลง ล, ลืมลืมหรือ ล, ล, ลืมไปเลยแล้วก็มีจำนวนหนึ่งนันก็เป็นคนจะเรียกว่าวิกลจริตก็ได้ วันหนึ่งก็ไปเห็นคุณลุงคนหนึ่งจะเดินถือเก้าอี้นะแบกเก้าอี้ตรงไปที่สวนอาจารย์ก็เลยถามว่าลุงจะไปไหนแกก็บอกว่าจะไปปลูกต้นไม้นะ ต้นไม้ที่เห็นอยู่ในสวนเนี่ยฉันปลูกทั้งนั้นและนี่ฉันก็จะกำลังจะแบกกระถางต้นไม้นี่ไปปลูกอีกอาจารย์คนนั้นก็อยากจะสร้างสัมพันธ์กับคุณลุงคนนั้นก็เลยแบกเก้าอี้ตามไปด้วยคุณลุงแกเหลียวหลังมาเห็นก็ถามว่า นี่ทำอะไรเนี่ยอาจารย์ก็ตอบว่าก็จะไปปลูกต้นไม้กับลุงยังไงลุงก็เลยบอก ว, ว่าจะบ้าเหรอไอ้นั่นมันเก้าอี้นะไม่ใช่กระถางต้นไม้แต่คุณลุงนี่ก็กลับแบกเก้าอี้เฉยเลยนะคือคุณลุงเนี่ยนะแกรู้ว่คนอื่นเนี่ยบ้าแกไม่รู้ว่ตัวเองเนี่ยบ้านะ แกรูวคนอื่นเนี่ยมีอาการผิดปกติแตแกกลับไม่รู้ตัวเองว่าเนี่ยก็ผิดปกติเหมือนกันเห็นคนอื่นแบบเก้าอี้นะก็รู้ว่าอันเนี้ยบ้าแล้วนะมันไม่ใช่ต้นไม้นะมันตัวอีแต่ตัวเองนี่กลับไม่รู้ทําทอย่างเดียวกันคนบ้านี่เขาก็สามารถจะรู้ แยกแยะได้นะว่าใครบ้าใครไม่บ้าเนี่ยแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ะบ้าให้การรู้แยกแยะสิ่งภายนอกเนี่ยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่จะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องยากนะไอ้สิ่งที่ยากก็คือว่าการมองเห็นตัวเอง บ้าแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองบ้าอันนี้าจะคล้ายๆคนเมาก็ได้นะคนเมาก็มักจะปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เมาแต่บางทีสามารถจะบอกสามารถจะชี้ได้ว่าใครเมาแต่กลับหมองไม่เห็นว่าตัวเองเนี่ยเมาไอการมองเห็นตัวเองการรู้จักตัวเองนี่นะ จะว่าไปมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครๆจะทำได้นะไม่ใช่ว่าใครๆทุกคนจะทำได้ธรรมชาติคนเราเนี่ยชอบสง่งจิตออกนอกและเราก็สามารถจะมองเห็นนะแยกแยะนะรู้ในเรื่องที่อยู่นอกตัวเรามากมายแต่ว่า ไอการที่จะมาเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากกว่ามากการเห็นโลกภายนอกเนี่ยเราใช้ตาเราใช้หูเราใช้จมูกเรามีอยตนนะต้อง5้าอย่างในการที่จะรับรู้โลกภายนอกแม้ว่าบางอย่างจะเสียไปแต่ว่าอีก สามสี่อย่างที่เหลือเนี่ยมันก็สามารถจะทำงานทดแทนได้คนตาบอดเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เขาสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้เนี่ยโดยไม่ต้องใช้ไม่เท้าแม้ว่าจะไปในที่ที่เขาไม่คุ้นเคยถามว่าเขาเดินถูกทางได้ยังไง บางคนไม่ใช่แค่เดินนะขี่จักรยานก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาตาบอดตั้งแต่13เดือนก็คือปีเศษแล้วก็ตาบอดสนิทแต่ว่าเขาสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้สบายเลยเขาทำยังไงเขาใช้วิธีกระดออกลิ้นกระดอกลิ้นเร็วมากเลยรัว ทำไมถึงกระดอกลิ้นนะเพราะว่าเมย์ทำให้เขาเนี่ยรับสัญญาณหรือรับเสียงที่มันสะท้อนกลับอย่างเขาสามารถที่จะบอกได้ว่าเนี่ยมันมีเสาอยู่ข้างหน้าเขาไหมเนี่ยภายในระยะ2เมตรมีรถอยู่ข้างหน้าเขาไหมในระยะ5เมตรสามารถจะบอกได้แมก้กระทั่งว่ามีบ้านอยู่ข้างหน้าเขาหรือเปล่าในระยะ50เมตรเพียงแค่อาศัยการกระดอกลิ้น สดงาหูนี่ของเขาต้องไวมากหูเขนต้องละเอียดมากเขาบอกว่าเนี่ยเขาเวลาเขาฟังเสียงที่สะท้อนจากการกระดอกระดอนลิ้นเนี่ยเขาจะเห็นเป็นภาพเห็นเป็นภาพอยู่ในในใจเขานะสมองเขานี่ก็เรียกว่ามันสามารถจะพัฒนาหรือว่าปรับเปลี่ยนจนกระทั่งเขาสามารถจะเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเขา ในรัศมี2เมตร5เมตร50เมตรได้บางคนยิงกันนั่นอีกนะไม่ใช้ไม่ต้องกระดดลิ้นเลยแต่อาศัยเสียงธรรมชาติที่มันสะท้อนเข้าหูเขาเขาได้ยินเสียงที่มันสะท้อนจากรถที่อยู่ข้างหน้าเสาหรือว่าแม้กระทั่งเครื่องกีดขวางสามารถจะบอกได้ว่ามันมันสูงกี่เมตรนะ อันนี้สมองมันตัวนี้มันมันอัศจรรย์มากนะมันสามารถจะทำทุกอย่างปรับตัวเพื่อที่จะรับรู้โลกภายนอกคนที่หูหนวกนะก็สามารถที่จะได้ยินเสียงคนได้มีคนที่หูหนวกตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่เกิดนะคือหูหนวกตอนเด็กๆ เ, เวลาเขาเห็นคนพูดเนี่ย เขาด้ินเสียงออกมาเลยไดิ้นเสียงออกมาจากปากของคนพูดไอ้ที่ได้ยินนี่เป็นสมองเขามันสังเคราะห์เสียงขึ้นมาเองนะเขาดูป่ากแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเลยแต่ถ้าคนพูดเนี่ยเกิดหันหลังให้เขานี่เขาเสร็จเลยนะเขาจะไม่ได้ยินเสียงเสียงจะหายไปเลย นั่นนี่ก็เป็นความสามารถของสมองที่มันสามารถจะปรับเปลี่ยนเพื่อทดแทนอายุตนาที่เสียไปได้สมองนี่ทำไมถึงทําอย่างนั้นได้นะก็เพราะเพื่อความอยู่รอดแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะทํางานแบบนี้ได้โดยอัตโนมัตินะมันต้องฝึกต้องฝึก อย่างคนที่เขาเห็นภาพต่างๆจากการกระดอกลิ้นเนี่ยเขาก็ฝึกมานะแล้วเขาบอกว่าเขาสามารถจะฝึกคนอื่นได้ด้วยคนที่ตาบอดเนี่ยก็สามารถจะฝึกให้สามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้โดยอาศัยการกระดอกลิ้นแล้วก็สามารถที่จะสร้างภาพในใจสร้างภาพลสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาได้อย่างไม่ยากนี่เจนเน้นมาว่า ความสามารถของมนุษย์เนี่ยในการที่จะรับรู้โลกภายนอกนี่มันมันมากมายนะบางทีอย่างที่เรานึกไม่ถึงจะเรียกเป็นความอัศจรรย์ก็ได้แต่แม้กระ น, นั้นเนี่ยนะไอการที่จะรับรู้หรือเห็นใจของตัวเองเนี่ยมันกลับเป็นเรื่องที่ยากกว่าแต่ว่าก็ฝึกได้นะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าธรรมชาติคนเราเนี่ย มันจะถนัดในเรื่องการรับรู้โลกภายนอกมากกว่ารู้เรื่องจิตใจของตัวเองเรามี 5. อาไอตนะในการรับรู้โลกภายนอกแต่ว่ามีไอตนะเดียวในการรับรู้เรื่องจิตใจหรือเรื่องโลกภายใ น, นยก็คือจิตนั่นเองคือสติแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะฝึกให เรามีสติที่ไวเราก็สามารถที่จะรู้จักจิตใจของตัวเองเห็นความคิดเห็นความรู้สึกของตัวเองได้อันนี้มันอัศจรรย์กว่านะอัศจรรย์กว่าเพราะว่าถ้าเห็นอย่างถึงที่สุดนี่ก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะว่าการพ้นทุกข์เนี่ยนะ จะเกิดขึ้นได้ก็จากการที่มีปัญญาได้เห็นความจริงของกายและใจไม่ต้องรู้ไกลรู้เรื่องกายเรื่องใจรู้จกนกระทั่งไม่ไปยึดติดผูกพันสำคัญมั่นหมายว่ามันเที่ยงหรือว่ามันเป็นสุขเป็นตัวตนเพราะคนเราเนี่ยจะทุกข์ก็เพราะเรื่องนี้แหละพไปยึด มันสำคัญหมายว่าสิ่งต่างๆโดยเพราะที่มีอยู่ในการครอบครองของเราเนี่ยมันต้องเที่ยงมันต้องสุขมันต้องอเป็นตัวเราของเรานะเป็นอื่นไปไม่ได้ที่ถ้าเราสามารถจะเห็นใจของตัวเองอันนี้เห็นด้วยตาเนื้อนะใ น, นเรื่าตาใน ไอตาเนื้อนี่มันอาจจะพิกลพิ ก, การได้แต่เราก็ยังสามารถที่จะประคับประคองตัวให้อยู่รอดได้โดยใช้หูโดยใช้สมองแต่ถ้าตาในนะคือสตินี่เกิดพิ ก, การหรือว่าเด้งขึ้นมามันแย่นะบางทีมันไม่ใช่ว่าจะเด้งถาวร น, นะเพียงแค่ทำให้มันเสื่อมสภาพ ชั่วขนาดเช่นกินเหล้านะกินเหล้านี่ก็ทำให้เป็นการประทุสร้ายสติทำให้สติเสื่อมโทมไม่ทำงานเราก็คงนึกภาพออกนะเวลาคนที่กินเหล้าแล้วสติมันเสียไปเนี่ยอันตรายมากสามารถจะทำร้ายตัวเองได้ขับรถชน สาไฟฟ้าแหกโคง้งลงคูตายโดยที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้นะมีวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นนักศึกษาก็รวยมากนะไปกินเหล้ากับเพื่อนนะวันเสาร์วันอาทิตย์เสร็จแล้วก็ขณะที่ขับรถกลับบ้านเกิดเมาขึ้นมาก็เลยลงจากรถอาจเจียน อาเจียนลงตรงคูข้างถนนปรากฏว่าสร้อยคอที่แขวนสมเด็จวัดระฆังมันตกลงไปในคูในคลองข้างถนนเพื่อนก็ห้ามนะแต่ว่าเจ้าตัวไม่ฟังเจ้าตัวก็โดลงไปนะ เพื่อจะเอาสมเด็จว่าละคังนั้นบอกว่าไม่ขึ้นมาเลยไม่ขึ้นมาเลยเพราะว่าเมาอยู่แล้วเนี่ยพอลงไปแล้วก็ก็คงจะไม่รู้หลงทิศหลงทางอย่างงี้ไม่ทราบ <c oughs> ก็กลายเป็นว่าสมเด็จว่าระคังก็ไม่ได้ช่วยแล้วก็พอสมเด็จว่าละคังในหลายที่ามให้เขาตายเพราะความเสียดาย นี่ถ้าเกิดไม่เมาเนี่ยก็คงไม่ตายนะอาจจะมีสติยับยั้งชั่งใจว่าโดดลงไปนี่ไม่ได้หรือถ้าไม่เมาคงจะไม่ไม่อาดเจียนจนกระทั่งทําทให้สร้อยคอนี้ตกลงไปในคลองคนเราเนี่ถ้าเราประทุษรลายสติแล้วนีนะ่อันตรายมากสามารถจะทำร้ายตัวเองก็ได้ แล้วก็ทำลายผู้อื่นก็ได้งั้นถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะรู้ทันเราจะรู้จักตัวเองเวลาโกรธเราก็รู้ว่ากําลังโกรธอยู่นะเวลาเศร้าเราก็รู้ว่ากำลังเศร้าและมันทําให้เราเนี่ยสามารถจะรู้จักอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้คนเรานี่ถ้าหากเรารู้จักตัวเองนะด้วยตาใน เราก็สามารถสอนตัวเองได้ด้วยนอกจากจะไม่ไม่เผลอทำในสิ่งที่เป็นโทษกับผู้อื่นแล้วนี่ก็ยังสามารถสอนตัวเองได้คนเราก็แปลกนะเราหลายครั้งเนี่ยเรามักจะสอนคนอื่นได้แต่เราสอนตัวเองไม่ได้ก็เคยมีคลิปโฆษณานะของสอสสเพื่อลดน้ำลง เกี่ยวกับการต่อต้านบุหรี่ก็ไปแอบถ่ายตามศูนย์การค้าหมายถึงตรงข้างนอกนะนะนอกตึกนะเพราะว่าไปสูบบุหรี่ข้างในไม่ได้ก็มีคนสูบบุหรี่อยู่นอกตึกแถวบริเวณศูนย์การค้าผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีอาชีพละเสร็จแล้ว ก, ก็ให้เด็กเนี่ยทั้งผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้าง ไปหาคนเหล่านั้นหนึ่งตอนหนึ่งนะไปทำไมไปขอบุหรีสูบเด็กอายุประมาณสัก9หรือส0บขวบนี่แหละนะไปขอบุหรีสูบแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะพูดคล้ายๆกันว่าสูบทำไมมันเป็นอันตรายสูบแล้วเป็นมะเร็งนะสูบแล้ว มันเปลืองเงินนะทุกคนจะพูดคล้ายๆกันนะสูบไม่ดีเสร็จแล้วเนี่ยเด็กก็ฟังนะเสร็จแล้วเด็กก็จะยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เป็นแผ่นเล็กๆให้กับผู้ใหญ่นะที่กำลังสอนเขาว่าสูบบุหรี่ไม่ดีให้กระดาษเสร็จเด็กก็รีบไปเลยนะพอผู้ใหญ่เคลียกระดาษก็มีลายมือเด็กเขียนบอกว่า พี่ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีแล้วทำไมพี่สูบล่ะครับหรือว่าทำไมพี่สูบล่ะครับก้องก็จะจ้องดูหน้าถ่ายที่หน้าของคนเหล่านั้นนะก็อึ้งไปเลยนะอึ้งไปเลยเพราะว่าสิ่งที่เด็กพูดนี่มันมันจริงนะแล้วก็มันมันแทงใจนะของคนเหล่านั้นและที่น่าสนใจคือว่า หลายคนเนี่ยพอเจอกระดาษแบบนี้เนี่ยนะก็สามารถที่จะหยุดบุหรี่ได้คือรู้สึกละอายใจว่าเราสอนเด็กแต่ทำไมเราสอนตัวเองไม่ได้เราสอนเด็กว่าอย่าทำแต่ทำไมเราทำเองอันนี้คนเป็นอย่างนี้นะคือเราสอนคนอื่นได้มากมายแต่เราสอนตัวเองไม่ได้ใน ชาดกเนี่ยจะมีเล่าถึงเรื่องราวของตอนหนึ่งเป็นเรื่องของชาวนาคนหนึ่งซึ่งเสียพ่อขนาดเผาศพพ่อแล้วเนี่ยแกก็ยังเสียใจไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอันไปทำนาเศร้าซึม ลูกชายนะซึ่งเป็นเป็นหนุ่มก็เห็นอาการของพ่อแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอยากจะช่วยแล้ววันหนึ่งเนี่ยบังเอิญวัวตัวหนึ่งตายวัวตายเนี่ยแทนที่จะจัดการศพนะเปล่านะคนที่เป็นลูกเนี่ยนะก็ยังทำเหมือนเดิมเคือว่าเอาย้าเอาฟางมาให้วัวกิน อ้วนมันนอนตายแล้วก็เอาย้ายัดใส่ปากมันพ่อเห็นก็เลยบอกว่าไอ้บัวมันตายแล้วเนี่ยเห็นอยู่อย่างางี้แล้วเนี่ยมันจะกินหญ้าแดางไงไอ้งโง่มันไม่มีวันฟื้นขึ้นมาหรอกมันตายแล้วจะให้มันกินหญ้าเอาย้าให้มันกินทําไมลูกชายก็เลยได้ช่องเลยนะบอกกับพ่อว่าพ่อ ไอ้วัวเนี่ยมันยังมีตัวอยู่ครบทั่วเลย น, นะพ่อบอกว่ามันไม่มีทางฟื้นแล้วปูล่ละนะปู่ตายเนี่ยเผาจนเหลือแต่กระดูกมันก็ยิ่งไม่มีทางที่จะฟื้นไม่ใช่หรือพ่อแล้วทำไมพ่ อ, อยังเสียใจเหมือนกับว่าอยากให้เขาฟื้นอยากให้ปู่ฟื้นขึ้นมานะพอรูปพูดงี้นี่พ่อได้สติเลยนะ เออใช่นะเราไปว่าลูกว่างโง่หัวตายแล้วนี่ให้มันกินหญ้าได้ยังไงไอเหล่านี้ก็กัดโง่ยิ่งกว่าลูกอีกนะพ่อเราไม่เหลือไม่เหลือซากแล้วเหลือแค่อัดแค่เท่าอังคารเรายังร้องห่มร้องไห้เป็นวักเป็นเวนเหมือนกับว่าอยาให้พ่อฟื้นขึ้นมาหลุดเลยนะหลุดเลยหลุดจากความเศร้าเลยพอสติมา อันนีนะ้ก็เป็นตัวอย่างนะสอนคนได้สอนก็ถือได้แต่สอนตัวเองไม่ได้ก็เคยมีการทดลองอันนึงนะซึ่งน่าสนใจมากก็มีชื่อนะที่อเมริก า, านักศึกษามันนั่งอยู่รวมกันในห้องประชุมสัก 30- 40คนเสร็จละว15นาทีก็ปล่อยออกปล่อยไปอีกตึกหนึ่ง เพื่อไปพูดไปรายงานหน้าชั้นแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีคนป่วยนอนอยู่ถ้าทางเจ็บปวดทุรนทุรายแล้วเขาก็ดูว่านักศึกษาที่นักศึกษาเหล่านี้เนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรปรากว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเดินผ่านโดยไม่สนใจเลย ไม่สนใจคนที่นอนป่วยอยู่ริมถนนและสิ่งที่มันน่าสนใจคือว่าหัวข้อที่ให้นักศึกษาไปพูดหน้าชั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปพูดเรื่องจิตอาสาไปพูดว่าจิตอาสาดียังไงเราจะไม่ต้องเสียสละยังไงควรจะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้อย่างไงบ้างแต่ปรากฏว่านักศึกษาที่ไป ผู้เล่นจิตอาสานี่นะส่วนใหญ่นะไม่สนใจคนที่นอนอยู่ริมถนนเลยคนที่นอนอยู่จริงๆเนี่ยเขาเป็นเป็นนักแสดงนะแต่เขาต้องการที่จะมาดูว่า น, นักศึกษาเนี่ยเวลาจะไปพูดเรื่องจิตอาสาเนี่ยจริงๆเนี่ยได้ทำอย่างที่พูดหรือเปล่าคืออันนี้ก็เหมือนกันนะคือ หลายคนก็คิดจะไปสอนคนอื่นว่าจิตอาสาดียังไงแต่พอเจอเหตุการณ์ที่มีคนทุกคนยากอยู่ข้างถนนนี่กลับไม่สนใจส่วนนี้เขาก็ให้เงื่อนไขด้วยนะว่าต้องรีบไปนะไม่งั้นเดี๋ยวไปไม่ทันเวลานักศึกษาก็เลยรีบจํำใหญ่เลยอะไรเกิดขึ้นข้างทางทําไม่สนใจแล้วอันนี้ก็เรื่องไม่มีสติได้นะ เพราะว่าใจมันรีบใจมันพุ่งไปข้างหน้าคนเรานี่ถ้าถ้าไม่มีสติบางทีก็การมีคนโหดร้ายใจแข็งกระด้างได้คนที่เดือดร้อนตกทุกได้ยากอยู่อยู่ข้างทางก็เมินเฉยไม่ช่วยเขาทั้งนังที่สิ่งที่จะไปทำข้างหน้าคือไปพูดเรื่องการช่วยเหลือผู้ที่ลำบากคนเราเนี่ยนะ ถ้าเราไม่รู้จกักไม่รู้ตัวเองไม่รู้จักตัวเองหรือว่าไม่ไม่เห็นตัวเองเนี่ยนะการที่จะสอนตัวเองเตือนตัวเองนี่ก็ยากเราก็จะได้แต่สอนคนอื่นเพราะว่าการสอนคนอื่นเนี่ยนะมันมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดเวลาเพื่อนอกหักเราก็สามารถจะแนะนําเพื่อนได้ว่า อย่าไปเสียใจเลยนะถือว่าเขาไม่ใช่คู่ของเราน่าจะมองแง่ดีนะว่าเออมันจะทำให้เราได้มีสละได้เจอมีโอกาสจะได้เจอคู่แท้ของเราเนะี่ยเราก็แนะนำเข้าไปหรือเวลาเพื่อนทําเงินหายโทรศัพท์หายเราก็แนะนำเพื่อนใน ด, ดีเลยนะว่าโอ้เงินทองเป็นของนอกกายหายไปแล้วหาใหม่ได้ โทรศัพท์วัตถุสิ่งของนี้ของนอกกายแต่พอเวลาเราเจอเองบ้างนะเช่นแฟนทิ้งเนี่ยนะโอ้ยฟูมไฟลนะคร่ำครวญไอที่แนะนำเพื่อนนี่เอามาแช่กับตัวเองไม่ได้เลยเงินหายเวลาเงินหายเสียเองเนี่ยเสียใจเสียดายนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นวักเป็นเวนไอที่เคยสอนเพื่อนนี่เอามาสอนตัวเองไม่ได้นี่พอ่อะไร พอไม่มีสติไม่เห็นตัวเองว่าเนี่ยกำลังจมอยู่ในความเศร้ากาลังจมอยู่ในความเสียใจถ้าเราไม่ไม่เห็นความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกที่มันครอบงําใจแล้วเนี่ยนะให้การที่จะรู้จักอารมณ์นั้นก็เป็นเรื่องยากในสิ่งที่เราจะความรู้ที่เราแนะนําเพื่อน หรือว่าธรรมะที่เราได้อ่านจากหนังสือเนี่ยจะมาใช้กับตัวเองก็ใช้ไม่ได้เลยมันมืดแปดด้านไปหมดคนเก่งๆ เ, เนี่ยเวลาตัวเองไม่เป็นอะไรก็สามารถแนะนําเพื่อนได้มากมายแนะนําเพื่อนหาทางเอาไว้เพื่อนได้แต่พอตัวเองเจอเข้าเสียเองนี่<ๆ>เขาเรียกว่าอาการมืดแปดด้านมองอะไรไม่ออกมันเคยมีนะ มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะเดินไปที่สะพานข่าแม่น้ำตอนนั้นก็เป็นเวลาค่ำแล้วก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งทำท่าจะจะโดดลงมาจากสะพานก็ไปห้ามเอาไว้คุยไปคุยมาก็ได้ก็รู้ว่าผู้หญิงนี่เขาอยากจะฆ่าตัวตายเพราะเขาอกหัก ผู้ชายก็แนะนำเด็บดีเลยนะว่าจะไปเสียใจทำไมนะชีวิตเรายังมีกไกล น, นะคนนี้เขาจะไม่ใช่คู่แท้ของเรานะยังไงก็นึกถึงแม่นึกถึงพ่อก็แล้วกันนะอย่าไปด่วนตัดสินใจตัวพูดแนะนำนะให้กำลังใจจนกระทั่งผู้หญิงนี่เขาก็ เ, าเปลี่ยนใจ แล้วเขขอบอกขอบใจผู้ชายคนนี้ที่ทําให้เขาได้สติเสร็จแล้วก็เขาก็เดินกลับบ้านไปผู้ชายคนนั้นก็อยู่บนสะพานสักพักเสร็จแล้วเก็ขึ้นไต่ราวสะพานแล้วก็โดดลงจากสะพานฆ่าตัวตายพอเขาล้มละลายธุรกิจล้มละลาย มือแปดด้านหาทางออกไม่เจอแล้วมันก็น่าคิดนะแนะนําคนไม่ให้ฆ่าตัวตายได้แต่ว่าแนะนําตัวเองไม่ได้อย่างเดียวกันคนเรามักจะเป็นอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงไม่สามารถเห็นหรือรู้เท่าทันจิตใจของตัวไอ้สิ่งที่เราพูดไปกับใครก็าตามเนี่ยมันจะไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์สำบเราเลย คนเราเนี่ยเรื่องการสอนตัวเองนี่เป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเราสอนตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ยากที่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าได้แต่สอนตัวเองได้ก็ต้องรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองนี่ไม่ใช่รู้หน้าตาของตัวเองอันนั้นไม่สําคัญเท่ากับว่าการที่เรารู้ทันความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นมาในใจทนที่อยู่ในความทุกข์นี่บางทีไม่เห็นความทุกข์นะ มันเหมือนกับนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำหนอนไม่เห็นอาจจมคนที่เป็นทุกเนี่ยคนที่กำลังทุกเนี่ยเขาไม่เห็นความทุกจนกว่าเขาจะมีสติเห็นด้วยเหตุนี้เนี่ยอริยสัจส์4ข้อแรกเลยเนี่ยคือทุกเนี่ยคระเจ้าจึบอกว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้ควาว่ารู้หรือกำหนดรู้เนี่ย เบื้องต้นก็คือว่าเมื่อเป็นทุกข์หรือเมื่อทุกข์ใจเนี่ยก็สามารถจะรู้ว่ากาลังทุกข์อยู่เวลาโกรธก็รู้ว่าตัวเองโกรธอยู่เวลาเศร้าก็รู้ตัวเองเศร้าคนโกรธนี่บางทีไม่รู้ตัวเองโกรธนะเพราะใจมันสง่งพุ่งออกนอกคิดแต่จะไปด่าไปทําร้ายเขาไม่เห็นตัวเอง การที่เราในยามใดก็ตามที่เราทุกข์เราเศร้าเราโกรธแล้วเราเห็นความเศร้าเห็นความโกรธหรือรู้ว่ากำลังเศร้ากําลังโกรธเนี่ยอันเนี้ยสำคัญมากเป็นจุดเบื้องต้นเลยของการที่จะพาจิตออกจากความทุกข์ได้การรู้ทุกข์ข้อแรกคือรู้ว่าตัวเองทุกข์ในยามที่ความทุกข์ครอบนาและหลังจากนั้นก็จะนำไปสู่ การรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นรู้เรื่องขันห้าว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยมันไม่ใช่เราทุกแต่เป็นขันห้าที่ทุกนะเป็นทุกที่เกิดกับขันห้าเกิดกับลูกกับน้ำไม่ใช่เกิดกับกับตัวเรากระทั่งว่าทุกอย่างมันทุกไปหมดนะไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขหรือหวังให้เป็นสุขได้เลยพอเห็นเช่นนี้เนี่ยการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นทันที เกิดความเบื่อหน่ายนิพิธาวิราคาก็วางแต่ว่าจะมาถึงขั้นนั้นได้เนี่ยก็ต้องเห็นตัวเองในยามที่ความทุกข์ครอบงำไม่ว่าจะมาในรูปของความโกรธความเศร้าเสียใจความเบือ่อก็คือเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจนั่นเอง